หกสสองดูกระอาน o n บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอานอน n ก็เมื่อบุคคลไม่บัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามวจรย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปเป็นกามวจรเมื่อไม่บัญญัติอัตตามีรูปอันหาที่สุดไม่ได้ ย่อมไม่บัญญัติว่าอัตราของเรามีรูปหาที่สุดมิได้หรือเมื่อไม่บัญญัติอัตราไม่มีรูปเป็นกามวจรย่อมไม่บัญญัติว่าอัตราของเราไม่มีรูปเป็นกามวจรเมื่อไม่บัญญัติอัตราไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ย่อมไม่บัญญัติว่าอัตราของเราไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ อนน์บรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามวจรนั้นย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่าเราจากยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้ อ น, อนุ์การลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกา r a วจรย่อมไม่ติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยอานุ์ผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดไม่ได้นั้นย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้น หรือไม่มีความเห็นว่าเราจากยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สําเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อนนท์การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดไม่ได้ย่อไม่ติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยส่วนผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามปรจรนั้น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 อ น, อนุ์การลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามาวะจรย่อมไม่ติดสันดานผู้มีอรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปหาที่สุดไม่ได้นั้นย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่า เราจากยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนท์การลงความเห็นว่าอัตราหาที่สุดมิได้ย่อมไม่ติดสันดานผู้มีอรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยดุการาอานนท์บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอาตาัตราย่อมไม่บัญญัติ ด, ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล